สอนการบอกการปฏิบัติธรรมที่นี่ก่อนที่จะใช้ากายใช้จชิตใจไม่ให้เบียดเบีนนยนตนไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นก็ต้องฝึกหัดการฝึกหัดก็คือเอาสติมาเป็นสารถีผู้ฝึกให้มีสติไปในกายใ น, นใจ ให้สติท่องเที่ยวอยู่กับกายกับใจกายใจก็จะลูดหน้าที่คนเราส่วนมากเนะี่ยใช่กายใช่ใจไม่เป็นหาความสุขหาความทุกข์เอากายเอาใจมาเป็นเครื่องถ้าไม่เกิดสุขเกิดทุกข์ กายใจทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์เรากายใจไปใช่กายให้ผิดประเภทเมื่อกายใจใด้รับสุขรับทุกข์ก็สร้างความเป็นทรรสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับตนเองและคนอื่นได้บางทีจิตใจเนี่ยเอาไว้ให้เป็นความโกรธความโรคความหลง เรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยก็ไม่มากเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายก็ไม่มากถ้าเราใช้ไม่เป็นถ้าเราใช้มันเป็นก็ปัญหามันก็ไม่มีจิตใจนี่ไม่ต้องเป็นอะไรกลับอะไรอะไร แม้มันจะไม่ว่าเรื่องหลายอยา่างก็ไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรใจเนี่ยมันจึงจะมาตรฐานถ้ามันเป็นอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างความเลอความชังความโลภคว า, วามโกรธความหลงความวิตกความวุเศ้าหมอ ง, ม, งมันก็ไม่ได้มาตรฐานมันเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคง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 แต่วันก็ร่วมมือกันแบบนี้เรามาหัดฝึกหัดให้ฝึกหัดกายฝึกหั ด, ดจิตใจให้มันใช้การใช้งานละความชั่วทำความดีทำกิจให้บริสุทธิ์แต่ระความชั่วทำความดีเลย้ยังไม่พอ่อยก็ทำได้ แต่สุดหมายปลายทางสูงสุดคือทากิจให้บริสุทธิ์ในเราก็พูดได้เราก็สอนได้แต่ว่าการที่จะแลกความชั่วทองความดีทำกิจให้บริสุทธิ์มันไม่ใช่คําพูดมันเป็นการกระทำมีการเฉลิมสติไม่ใช่กระทย่างอื่น การเจริญสติก็ไม่ต้องบอกก็ได้แล้วความชั่วทําความดีทำจิตให้บริสุทธิ์แต่ถ้าเรามีสติแล้วนะมันก็ไปสู่จุดมหมายปลายทางต่างที่เคิด่อน่างที่พูดหลายครั้งหลายหนว่าการ ม, มีสติมันก็ลกความชั่วมันก็ทำความดีมันก็จิตบริสุทธิ์อันนี้ไม่ต้องบอกต้องสอนคนอื่นบอกไม่ได้เรื่องอย่างนี้แต่บอกได้ก็เป็นภาษาสมมติ มันก็ทำไม่ได้มันก็เป็นความรู้มันก็เป็นความรูมมร้มันก็รู้กันทุกคนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรีว่าโอวาตปฏิมโมกเป็นจุดรวมเป็นเป็นสิ่งที่รวมลงรวมลงเอาร่วมเข้ามาใกล้ๆเอามารวมกัน เราก็เรียนเราก็รู้เหมือนกันก็ไปอวดกันศาสนาไหนศาสตราใดก็สอนให้เราความชั่วทำความดีแต่ว่าศาสตราศาสนาของพระพุทธเจ้าสูงเข้าไปขโมยทําจิตให้บริสุทธิ์ทําจิตให้บริสุทธิ์การทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยบางทีเขาก็มาศึกษาพวก ศาสนาอื่นเขาไม่มีมมเขาไม่มีหลักสูตรเขาก็มาศึกษาตามหลักภาวนาตามหลักกรรมฐานการทําคิดให้บริสุทธิ์เขาก็มาฝึกหัดเคยข้าเขามาต่อยอดต่อยอดของเขามขาก็ง่ายเลยอาการแล้วความชั่วการทำความดีก็ทําทกันได้ทุกคนแต่ถ้าคิดไม่บริสุทธิ์ ความดีที่ทำก็มไม่มั่นคงอันที่ก็เป็นทุกข์ด้วยทำความดีก็เป็นทุกข์ก็ไม่อันี่าจะทำความชั่วเป็นสุขด้วยเป็นไอชีวมันไม่มั่นคงถ้าไม่ถึงกิดบริสุทธิ์แต่จิตมันบริสุทธิ์ตนะมั่นคงจิตบริสุทธิ์คือจิตที่ไม่เป็นอะไรกับอะไร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 ไม่ใช่ความรู้นะเป็นฝีมือของสติเป็นฝีมือของสติเป็นคุณภาพของผู้ที่มีสติแล้วก็ทำให้บริสุทธิ์มันก็ทำให้ไม่เปืเ้อนๆแล้วก็ไปเป็นคู่ขนานกันไปทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งทำได้แต่รู้ มันก็เป็นความรู้ที่ทําได้กวารู้อันใดที่ทําไม่ได้นะมันไม่ใช่ความรู้แบบพุทธะไม่ใช่ตัวปัญญาตัวปัญญาพุทธะรู้แล้วต้องทําได้รู้เห็นพบเห็นเห็นทุกข์มรุ่นละทุกข์เห็นโกรธมรุ่นละโกรธเห็นอะไรยมรก่นกละอันนั้นมันไม่เป็นอะไร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 เพราะเราเกี่ยวข้องกับกายไม่ถูกไปติดเหล้าไปติดบุ๋ีไปติดรสชาติอะไรต่างๆเ้วก็ขวนขวยให้มันพอกคูนให้กายไปนันก็เรื่องมันก็มากไม่ใช่กายไม่เป็นเราก็เป็นผลกระทบต่อกิตต่อใจต่อเราก็มีสติแนละ้วงนั้นก็ เป็นดุลเทเกเป็นกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคนตัวตนเราเขาพอสติเห็นล้วมันคุมคุมหน้าที่ให้สำเร็จแค่นี้สำเร็จอยู่แค่กายเหมือนพ่วงเหมือนแพรเธอขับขี่ไม่ใช่เอามาแบกถ้าเราเอามาแบกมันก็ไม่ใช่เรือไม่ใช่รถ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 มันก็สู่ไปได้ถ้าไม่จุดไฟให้พอพปถึงตรงไหนไอ้ซาดป๋าด่าตัวเองไอ้ซาดป๋ามึงโง่มาทำอย่างนี้ก็เห็นถ้าเห็นถ้าเห็นิงๆิงมันมันก็ช่วยกายแต่ก่อนมันก็ช่วยกันม่เห็นมันจะลุ่มเกไปมีความเห็นผิด มีทิฏฐิเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายหลายอย่างพอมีสติแล้วเนี่ยรู้สึกกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปู่คนตัวตนเลาเขาแค่นั่นเองโอ้เอากายมาทำความดีเอามาสร้างสติสำเร็จยกมือเคลื่อนไหวไปมาไปทำงานทำการไปช่วยคน จะช่วยตัวเองเอากายมาช่วยกายมาดูแลกายเอามาใช้ให้มันกินข้าวใชวยให้มันขับปันถ่ายใช้ให้มันหลับมันนอนใช้ให้มันแปรงฟันล่างหน้าอาบน้ำจะใช้กายเพื่อทําความดีช่วยกายแล้วไม่พอก็ช่วยคนอื่นได้สร้างกติสร้างศาลา สร้างถนนทางเอากำลังจากกายปลูกต้นไม้เออนี่เรียกว่าชอบใช่กายได้สาเร็จแต่ใช่กายไปกินเหล้าไปุซบุรีมันไม่มันไม่ได้ช่วยกายให้เกิดประโยชน์มันมีแต่ในโทษเห็นอย่างนี้เห็นกายันแล้วตอเห็นกายเราประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกาย มากมายเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบแผนไปยกมือสร้างเะว่าสอนคนไปเดินจงกมสอนคนสอนผู้อื่นเราก็มีกายเราก็มีมือกายนี่เอาไปสั่งไปสอนไปเป็นครูบาอาจารย์อย่าไปทำความชั่วนะโอ้ยมากมายพอเห็นกายเสงวากายเห็นเวทนาโมเนก็เหมือ น, นกันไม่มีตนมันก็เห็นเขา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 เราขบับรถเราควบคุมรถได้จริงไหนที่ควบคุมได้อันนั่นเลยว่าความชอบเรามีประตูบ้านเปิดได้เรามีประตูบ้านปิดได้เรามีหน้าต่างเปิดได้เรามีหน้าตา่ดด า, า, ตางปิดได้เรามีอะไรที่มันใช่ได้มันจึงเกล้ชอบ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 มันเกี่ยวข้องอย่างไรเราก็เลือกเป็นเลือกเอารูปกระนามไปใช่ไม่ใช่ให้รูปให้นามมันใช่เรา <c oughs> ความปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมันก็ค่อยหมดไปมีแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นกับรูปกับนาม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 ถ้าเห็นกายก็เป็นสุขเป็นทุกข์ทันทีเ ม, มื่อมันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ขนขวยรักสุขเกลียดทุกข์ก็เห็นแก่ตัวมันก็ขนขวยมันก็ผิดมันก็ผิดต่างคนต่างไม่สุ ข, มขอยอยกกไม่ทุกข์ขอยู่กับกายกับใจเมื่อมีสุขมีทุกข์อยู่กับกายกับใจแม้คนลีลีของขวัก็ทุกข์ก็เทือนหลายอยา่าง พอมาเห็นกายเป็นกายเห็นเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามจริงที่เกิดขึ้นกับรูปนามนั้นอะไรอย่สิ่งไหนไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับรูปนามเราก็ช่วยกันก็ช่วยกันระหว่างรูปปับตามบาทีรูปนามกายกับใจมันเดียดเวียนกันกายกับใจถ้าภาษา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 ต่อไปมาก็เป็นตัวรูตัวเดียวตัวรูตัวเดียวทั้งกายทั้งใจมารวมกันเป็นตัวรูสึกตัวตัวเดียวตัวรูสึกตัวเป็นตัวกายด้วยตัวรูสึกตัวเป็นตัวใจด้วยตัวรูสึกตัวเป็นตัวลูกตัวรูสึกตัวเป็นตัวน้ำด้วยนั่นก็เป็นพลังพลังร่วมพลังสมัคคีพลังสมัคคีเนี่ย ก็ง่ายแล้วไนะแต่ว่าละความชั่วทำความดีก็ง่ายแล้วนะทำาจิตให้บริสุทธิ์ก็ง่ายแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วดูไปดูมามันก็เป็นอันเดียวกัน <c oughs> ถลันร่วมเป็นตัว <c oughs> รูปคือกายคือจิตจะไปสนอะไรไปจะไปมีอะไรไมันก็มีอันเดียวกันอย่างนั้น แต่ภาษาพูดต้องก็ไม่มากนอหลวงปูเทียนก็าบอกว่าเอากิตตูกิจเอาสติตูกิตเอากิตตูสติมันก็อันเดียวกันตรงนี้มันก็ขมวดลงมาเป็นพาชนะเดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพวกเราสาวกพวกเราสาวก เหมือนอ้อยเหมือนช่างกินอ้อยม้วนลงง่ายๆปัญหาต่างๆม้วนลงง่ายๆมันไม่ยากนไม่ถ้าเราทำถูกไม่มีอะไรง่ายเท่ากับฝึกหัดกายฝึกหัดใจมีสติทำให้ง่ายการมีสติ การฝึกสติไปในกายในจิตเป็นความง่ายกว่าความหลงถ้าเราดูดีๆนะเป็นความง่ายมากความหลงไม่ง่ายนะพวาโกรธความทุกข์ว ค, ค, กความลอะความชังความวิตกความวลที่มันเป็นเป็นไปต่างๆนั้นมันไม่ง่ายมันเป็นภาระะแต่ความรู้สึกตัวไปในกายในจิตเนี่ย ง่ายง่ายอย่าไปตั้งความยากอย่าไปเอาอย่าไปเป็นจะเอาให้ได้จะทำให้ได้มันผิดมันถูกมันหลงมันไม่หลงมันลู้เนี่ยไม่ต้องไปตั้งโจดตั้งโจ์ให้กับตัวเองตั้งการบ้านให้กับตัวเองเหตุอ <c oughs> <c oughs> ร จะทำได้จะทำไม่ได้มันเป็นโจ์ของเราทำให้พลังอ่อนแอบางทีจะเอาให้ได้มมันเป็นโจดบางทัางที่ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเลยการปฏิบัติธรรมมีแต่เข้าไปสัมผัสเราถ้าเราตั้งตั้งโจ์ให้เรามากมายจะต้องแก้โจ์เมื่อเราเป็นจำเลยของชีวิตเราเอง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 ไม่มีอะไรที่จะเป็นเท็จถ้าสติเห็นถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์กิ่งกิ่งเออเป็นสุขก็เป็นสุขกิ่งกิ่งถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นความไม่สุขไม่ทุกข์กิ่งกิ่งเลือกได้เลยครับความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงความไม่สุขความไม่ทุกข์เป็นยังไง ความโกรธความโลภเป็นไงความไม่โกรธความไม่โลภเป็นยังไงความรักความชังเป็นไงความไม่รักความไม่ชังเป็นยังไงจับตูสัมผัสตูก็เลือกได้เบาวิ้งเลยถ้าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเบาถ้าเป็นอะไรทุกอย่างก็หนักเห็นมันสุขอเบาแล้วเห็นมันทุกข์เบาแล้ว เห็นมันอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับกายกับใจนะความเบามันไม่อยู่เรียวกว่ากายแล้วหูตาหุละหูตาไปว่าเบาคลุกแ ล, ล้วหนักคลุกผันแล้วหูพันค ล, ลุกไปว่าดักแล้วหูไปว่าเบาเราเลือกตายไเปเลือกเอาเบาเบาเลือกเอาไม่เป็นอะไรคภาว่าที่ไม่เป็นอะไรมันเบาเบา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 ไม่ครุกคลาไม่เหมือนอารมณ์ไม่เหมือนอาการต่างๆแต่ ว, ว่าความรู้สึกตัวที่ปราบปงเป็นลอยไปนะมันลอยไปเห็นเห็นที่เวลาเนี่มันหนาวความหนาวเนี่เป็นผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวเห็นมันหนาว เป็นทุกข์ไหมเห็นมันหนาวกัวตายไหมโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่มีคําพูดเห็นมันหนาวเห็นของกิงความหนาวเป็นของกินแต่มันจริงแบบนั้นแต่ภาวะที่เห็นมันหนาวนี่จริงกว่าจริงกว่าภาวะที่เห็นความหนาวภาวะที่เห็นความร้อนภาวะที่เห็นความหิวภาวะที่เห็นความเจ็บปวดเมื่อยล้าอันนี้จริงกว่า ตรงนี้เลยว่าศึกษาเข้าถึงเข้าถึงจุดหมายปลายทางถ้าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นมันหนาวเป็นผู้หนาวยังไม่จริงแต่เพศนี่ช่วยอะไรเราไม่ได้แต่เห็นมันหนาวแต่เห็นมันหนาวก็มีปัญญาแล้วปัญญาเลยปัญญาไม่ทุกข์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 เหมือนคดีที่มันสิ้นสุดประกาศสิ้นสุดคดีไม่ปิดแล้วอย่าเอามาลือถอนประกาศปิดแล้วเอามาเอามาว่าอีกไม่ได้สิ้นสุดความหลงถ้าเห็นก็สิ้นสุดแล้วความโกรธเห็นความโกรธแล้วสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วแต่มันจะโกรธมันไม่จบเป็น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 ทั้งที่มันก็ไม่มีตัวไม่ตนความโลภความโกรธความหลงเกลดตัณหาเราเขาความรักความชังมันเป็นโจทย์ชีวิตเราเราก็ตกเป็นจำเลยจำเลยชีวิตนี่ยจำเลยชีวิตเนี่เย เ, เป็นเรื่องที่น่าอายแล้วเราก็ทําได้นะ่ะอจำเลยที่เป็นโทษตตื่นเขามันก็เป็นจำเลยอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้มัน ม, สมญญีสมมติปัญญัติสมมูิปัญญ ขึ้นมาเขาก็มีอำนาจตามสมมติปัญญาอำนาจสมมุติในโลกมันเต็มไปด้วยสมมุติเอามาให้มันเหลือเหลือซะพวกเร า, อเราลอยอยู่บนโลกน ะ, ะว่าแต่ศึกษาชีวิตของเราเนะ้ออันเดื่มันก็จบไปด้วยนะไม่ใช่ว่ามันไม่จบ ความหนาวความเก่าเนี่ยแหละความรอนความเก่าความเก็บความปวดความสุขความทุกข์อันเก่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้งอกขึ้นมาเหมือนอย่างอื่นเหมือนพืชเดี๋ยวนี้วัดป่สุกโตก็มีวัดเพะพืชแบบใหม่เกิดขึ้นมาปแบบยากเหมือนกัน มัน จ, จะพืชอะไร <c oughs> ต้นต้นอะไรที่มันเป็นหนามไม่ใช่ฮะตน <c oughs> ้นลือใบย่ารับใบย่ารับาับจะพืชแใหม่เ <c oughs> วลามันปักเราเน่เหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เหล็กในของพึ่งมันปักเรามันดูดเข้าไปดูดเข้าไป ดึงไม่ออกเอาเมือไปจิดไม่ได้เลยมันเหมือนเหมือนไร<ล>เหล็กในของพึ่งน่ ะ, ะว่าแต่เราไปติดไปมันขาดมาเลยน้ํามันขาดมาเลยมันไม่ขูดนะติดไปมันกระดูดเข้ามาลมันเกิดขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ก่อนก็มียาบาคอมนิด ้าควานิ่ก็ถือว่าโอ้ยรายที่สุดอนุญาตขอบนิดก็เผลเผลลงมันดินเก่าความนิดเขาชอบใหม่ๆเพราะมันเก่าเขาก็ไม่ชอบความเก่าในบรญดาเนะ่พวกบยาลาบบยาลาบมันมีหลายอย่างบยาใาาบเล็กๆอยู่ตามผิวดินนั่นทำไมก็ ก็ไม่เป็นไรไบายาลาบยักอย่างเชียงใหม่เราไม่เท่าไร่แต่ว่าก็ก็ยากเหมือนกันนะแต่ไบายาลาบแบบเนี้ยไปเมืองเราไปเห็นอยู่เมืองเราโอ้ยมันไปจากเมืองเราเดี๋ไปถึงวัดสุกโตหรือว่าสุกโตไปอยู่เมืองเราก็ไม่รู้มันมันเกิดขึ้นมาอัน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันไม่มีโงกขึ้นมาแบบใหม่อันเก่าขมร้อนขอมหนาวขมโกรธขมโรคขมร้องกิเลสตัณหาลาคะความรักความชังมันลอยนวลอยู่ในชีวิตทิตใจของเราเราก็ปลป่วยป่าละเลยกันมาบางคนก็จนตายไปกับมันลองดูเสีพวกรอง บเราเนี่เป็นนักบวชจวัดวาอารามต้องศึกษาเรื่องนี้หน่งรีบๆรบสักหน่อยอย่าประมาทอย่าเฉยชาอย่าเสื่อซ่า <c oughs> โกรธไปอย่าเสื่อซ่าอย่าประมาทต่ อ, อยไปแล้วเลยให้ไปเป็นลูกเรื่องเป็นราวยงกัน ทะเลาะบอกแยงกันขัดเทืองกันมันน่าเสียดายเสียดายเพื่อนบางคนทะเลาะกันกับเพื่อนหนีอยู่ด้วยกันไม่ได้เสียดายแต่มีพรนญานี่เสียดา ย, นยานเยายนา ะ, ะบางคนก็เบื่อผู้ชายมาบางคนก็เบื่อผู้หญิงมาเบื <laughs> ่อ อะไรเบื่อกันทํำไมเป็นเพื่อนกันพากันช่วยกันให้ออกเกือบทุกขนส่ ง, สงเป็นแรง แ, แรงร่วบเงินพวกเราสุกตัวก็มีแรงร่วมเดี๋ยวนี้หลวงพไปไหนก็ได้ครับอาจารย์มรเทพการสงศรริ์ฉันถุ่มจนหมอนพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่นี่ไปไปไหนผมก็คุยนะคุยเราโอ้ยสบายใจเดี๋วเดี๋ยวคุยอวดเพื่อน มีคนมีเพื่อนผมมีเพื่อนดีกันระยะน้ะำมิดดีแล้วก็สอนพระเข้าเก็บปารมณ์ปฏิบัติธรรมกันของก็ชีวิตของผมก็ขอให้เป็นเป็นงานในที่เหลกส่วนหนึ่งลวตอนไม่ดูแลอะไรกันไปก็บางทีตอนวัดเช่าทพารเจนก็พูดว่าหรือว่า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 มันทนก็ได้อะไรนะนะแต่ก่อนสวกเราเหม็นเวลาหน้าเหม็นแลหลวงพ่อเออะไรมาใส่หายเลยพระหุปัญญาจำไม่ได้ไม่รู้อะไรฮะดีเอ็มลีเออมโอไม่เคยได้ยินอีเอ็มอีเอ็มอะไรอีเอ็มเนี่ยมันมีสองอย่าง แบบหนึ่งแบบเกิดเชื้อโรคแบบหนึ่งแบบไม่เกิดเชื้อโรคเกิดประโยชน์หลังจุลินทรียจุลินทรียหรือร อ, อ, อะไ ร, ออะไรหรืออะไรวัคซีนหรืออะไรโรคมันแก้โรคโรคมันแก่โรคชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกัน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 นอนตื่นขึ้นมาก็ได้ปัญญาก็มีนะบางทีจะไหม้กอดเนี่ยเห็นใบไม้ล่วงก็ได้ปัญญาเห็นท่นนุงไหลมาต า, น า, นามน้าก็ได้ปัญญาได้ยินเสียงโสเพนีร้องเพระปวดเก็บปวดลูกร้องหมร้องให้ก็ได้ปัญญาได้ปัญญาได้ความเมตตา โอ้ยเลยความเมตตา ม, มากที่สุดไปอยู่สุรินไประปชมอยู่สุรินอยู่วัดในเมืองนอนเที่ยงคืนนันอยู่ใกล้ๆโรงข้าสัตว์อยู่โรงข้าหมูเดี๋ยวก็เสียงหมูลองอีดเงียบไปเรียกไม่นานเดี๋ยวก็ร้องอีด นับดูเป็นหลายหลายส0บตัวโอ้ยสุดหัวใจเกิดความเมตตาที่สัตว์ถูกฆ่าชีวิตตี้จะเกิดจะไงยังไงก็ทำไม่ได้หรอกพวกเราจะไปฆ่าอะไระมันทำไม่ได้สุดหัวใจความเมตเมตาเกิดขึ้นลดเหลือไม่ใช่ จะยินเสียงเขาข้าวสารโอ้กูจะได้กินแล้วไดกินลาบกินก้อยแล้วเสร็จหรือยังเอามาให้กูมีเหมือนกันนะบางทีพระเราก็มีเหมือนกันจากความอยากจากความโลภเกิดความเมตตาเกิดความเม่ตาอย่างรลุนแหลมเพราะอีกคนหึงเขาเกิดความโกรธ เขเกิดความโลภเขาเกิดความหลงเรากลายไปพวแห่งเมตตาปัญญาแกันนะปัญญามาได้รูปของเมตตาปัญญามารูปของเสียสละเห็นโูกเห็นใจก็อยากกระโจนเขาไปช่วยบางทีก็ช่วยไม่ได้แต่สิ่งไหนช่วยได้ก็ช่วยยริงจริงพวแหเมตตาพวัพนที่เห็นต้น ต้นมะไฟที่ปลูกไว้จะเหี่ยวก็ตือหรือร่นนะใครห้ามไม่ได้แล้วจะไปห้ามให้ช่วยต้นไม้เนี่ยใครห้ามไม่ได้จะไปอยมาห้ามมให้ช่วยผู้ช่วยคนเช่นเราอยู่เนี่ยเห็นคนในทุกโอยก็ตื่นรือร่นอยากช่วยแต่บางคนกอมกมาให้เราช่วยนะเ้าก็หาเองหาสุก เวามันทุกข์ก็จิตเล่มามาอย่าเวลามันทุกข์ก็เข้าหนังหลงหนังหลงละครเวลามันทุกข์ก็ไปฆ่าไปตีกันเอาไว้ก็ไม่อยู่เราอย่างก็เหลือวิสัยของพวกเราที่ทำไม่ได้ที่ทําได้แน่นอนคือทํากับตัวเราแน่นอนที่สุดนะขอให้ใช่สิทธิของเรามันหลงมีสิทธิจะไม่หลง